ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินัยะสังหะอัตกถาพระสารีบุตรมหาเถระชาวสีลังการจนาพระมหาอาคมธรรมาคโมแปลเรื่องที่สามสิบสองครุกาปฏิวุฒ น, ะวน า, า, าวินิชยกถากถาวินิจฉัยว่าด้วยเรื่องการออกจากครุกาบัตต่อ สำหรับสมูทานปริวาสผู้ที่ต้องอบัดแล้วก็ปกปิดไว้ในที่นี้ก็แสดงว่าอาบัดตัวแรกที่ปกปิดไว้ครึ่งเดือนก็คือปักหนึ่งเมื่อขอปริวาสปกปิดครึ่งเดือนแล้วปักหนึ่งแล้วในระหว่างนั้นก็ต้องอบัดอีกตัวหนึ่งปกปิดไว้ห้าวันเพราะฉะนั้นจะต้องขอมูลายยปฏิกิริยาก็คือการชักเข้าหาอาบัดเดิมเมื่อชักเข้าหาอาบัดเดิมแล้วขอสมูทานปริวาส ก็คือประมวลให้อยู่ปริวาทใหม่แต่ว่าต้องอยู่เอาจำนวนวันที่มากก็ชักข้าหาบัตรเดิมอยู่ปริวาทอีกปักหนึ่งเครื่องเดือนเมื่ออยู่ปริวาทได้ร้อยแล้วขอมานัดการขอมานัดก็ขอสามครั้งอย่างนี้ทำขอมานัดาำรับสมุทรทานปริวาท อะหังพันเตสัมบหุลาอปติโยอาปจิงปัจขาปฏิชัญนาโยโตหัสัมถังสัมบอลานางอปาีนางปัจขาปฏิชนานางปัจข a ปริวาสรัญญาจิงตาสเมสรัญโธสัมบอลานางอปาีนางปัจข a ปฏิชนานางปัจขาปริวาสดาเโหปริวาสันโตอันตรสัมบหุลาอปติโยอาปจิง ปัญจหาปฏิชนนาโยโตหางสังขังอันตระสำบะหุลานังอาปาตินังปัญจหาปฏิชันนานางมูลายาปฏิกัสนางยาจิตั้งมังสังโฆอันตระสำบะหุลานังอาปาตินังปัญจหาปฏิชนนานางมูลายาปฏิกัสสิโตหางสังขังอันตระสำบะหุลานังอาปาตินังปัญจหปฏิชนนานง ปริมาสุอาปติสุสมุทนานปริวาสร้างยาเจงตาสเมสังโขอันตรานสัมบาหุลานางอาปตินางปัญชาปติชันนานางปริมาสุอาปติสุสมุทนาปริวาสางอาดาสโสหังพันเตปริวุฒาปริวาโสสัมขังสัมบาหุลานางอาปตินางชาระตังมานตั a ยาจามีก็ขอมานัดอย่างนี้สามครั้ง คนทีสองก็ทุติยมปิคนที่สามก็ตาติยมปีพิสุผู้ชราผู้สามารถก็ให้มานัดให้มนัดก็ว่าสุนโตเมผันเตสังโฆยังอิท น, นาโมภิกขะสัมบบุลาอาปาติโยอาปจีปัคขาปาติชนนยโยโตสังขังสัมบบุลานางอาปาตินางปัคขาปติชนนานางปัคขาปริวาสังยาจี สั้โขอิทัณนามัสลามภิกุโนสัมบบหุลานังอาปาตินังปัจขาปฏิชนนานังปัจขาปริวาสั้นอาดัสสโตปริวาสั้นโตอันตระสัมบบหุลาอาปาติโยอาปาชีปัญจหาปฏิชนนายโยโสสังังอันตระสัมบบหุลานังอาปาตินังปัญจหาปฏิชนนานังมูลายาปฏิกัสณังยาจสั้โอิทัณนามังภิกุ อันตราสัมบ่าวลานังอาปาตินังปัญจหาปฏิชนนานางมูลายาปฏิกัสสโสสังทังอันตราสัมบ่าวลานังอาปาตินังปัญจหาปฏิชนนานางปุริมาสุอาปาติสุสมุทานาปริวาสัญญาจิสังโขอิทัณนามาสภิกุโนอันตราสัมบ่าวลานังอปตินังปัญจหาปชนน ปริมาสุอปาติตสมุานปริวาสังอาดาสีโซปริวุฒาปริวาโซสังังสัมบาลานังอปาตินังชาระตังมานะตังยาจเตยดีสังขัดาปตะกันลังสังโินามาสับิกุโนสัมบาลานังอาปตินังชาระตังมานะตังดะเดยะเอสาติอันนี้ก็เป็นการประกาศให้รู้เรียกว่ายติ อนุสาวนาก็สามครั้งนั้นว่าสุนตเมพันเตสังโฆยังอิทัณนาโมภิกขะสัมบ่าุลาอปาติโยอปัจิปะคาปะเตชันนาโยโตสังขังสัมบ่าุลานางอปาตินาปะคาปะเตชันนานางปะคาปริวาสังยาจีสังโขยทัณนามาสพภิกขโนสัมบ่าวลานางอปาตินาปะคาปะเตชันนานางปะคาปริวาสังอาดาัส โสปริวะสันโตอันตระสัมบ่าวลาอปาติโยอาปาชีปัญชาหะปะเพชชน์มาโยโสตังขังอันตระสัมบ่าวลานางอปาตินางปัญชาหะปะเพชชนานางมูลายาปฏิกัสนางยาเจสังโขยท่านนามังพิกุลอันตระสัมบ่าวลานางอปาตินางปัญชาหะปะเพชชนนงมูลายปฏิกส โตสังขังอันตรายสัมบ่าลานางอภัตตินางปัญจหาปฏิชนานางปุริมาสุอภติโตสมุทฐานาปริวาสังยาเจสังโขยทนนามสาภิกุโนอันตรายสัมบ่าวลานางอภัตตินางปัญจหาปฏิชนนานางปุริมาสอติโตสมุฐานปริวาสังอาดเสโสปริวุาปริวาโส สังขสัมบอาหลานังอปาตินังชาระตังมานะตังยาจติสังโคอิทันามาสพิกุโนสัมบอาหลานังอปตินังชาระตังมานะตังเดตยาตายาสมะโตธมติอิธันามาสพิกุโนสัมบอาหลานังอปตินังชาระตังมานะตัสสะดานังโซตุนนาสะยสนธมติโซพาเสยยะ มม ข, ข, ขั้นที่สองก็ว่าดุ ต, าติยัมปีเอตัมทั้งวดามิสุ ม, มาโตเมพันเตสังโคก็ความละเหมือนกันขั้นทสามว่าตาติยามปีเอตัมทั้งวดามิสุมาโตเมพันเตสังโคข้อความละเหมือนกันสรุปตอนท้ายว่าดินนางสังเคนิทัณนามาสะพิคุโนสัมบะลานางอาปตินางชาระตังมาณตัง ธรรมติสังขสัตว์อัสมาตุนีเอวะเมตังทารยามิในเวลาจบกรรมวาจากิจทั้งปวงมีการสมาทานมานัตเป็นต้นมีวิธีฉายดังกล่าวแล้วนั่นแหลก็คือสมาทานว่ามานัตตังสมาดิยามิวัดตังสมาดิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานมานัตข้าพเจ้าขอสมาทานวัดเมื่อสมาทานเสร็จแล้วก็บอกวัดบอกมานัตนั่นเอง คำบอกมานัดก็บอกอย่างนี้ว่าอังพันเตสัมบะหุลาอปาติโยอปาชิงปะคาปตชันนายโซหังสังังสัมบหุลานังอปตินังปะคาปตชนนานางปะคาปริวาสรงยาเจิงตสเมสังโขสัมบะหุลานังอปตินังปะคาปตชันนานางปะคาปริวาสรงอาดาเซ โสหังปริวะสั้นโตอันตระสัมบอาหุลาอาปาตโยอาปาเชิงปัญชาหปาติชัญนายโยโสหังสังขังอันตระสัมบอหุลานางอาปาตินางปัญชาหปาติช a ญนานางมูลายาปาิกาศนางยาเชิงตังมังสังโฆอันตระสัมบอหุลานางอาปาตินางปัญชาปาติชันานางมูลายาปาิกาศ โสหังสังขังอันตรานั้ง c a าวลานังอาปตินังปัญจหา a ฏิชนนานังปุริมาสุอาปติสุสมุ n นาน i ปริวาสังยาเจงตาเสนสั a โฆอันตรานั้งบ่าวลานังอาปตินังปั a จหาปฏิชนนานังปุริมาสุอาปติสุสมุ e นานาปริวาสังอาดัสเลสโหังปริวุฒาปริวาโสสังขังสัมบ่าวลานังอาปตินังชาระตังมาณาตัญญาเจง ตัสสเมสังโขสังบ่าุลานังอาปตินังชาตังมานัตังอาดาสีโซหังมานัตังจารามิเวดียามหังผันเตเวดียาตีติมังสังโขทาเรตุทว่ากับที่ตูรูปเดียวก็ว่าเวดียาตีติมังอาญสมาทาเรตุถ้าบอกกับที่ตูสองรูปก็ว่าเวดียาตีติมาอาญสมันตาทาเรนตุ ถ้ากล่าวกับพิสุหรือบอกมานัทกับพิสุสามรูปก็ว่าเวเดยติติมังอายสันโตทาเรนโตก็การเริามต้นต้องเหมือนกันหมดเลยเมื่อประพฤตมานัสครบหกราตรีแล้วอยู่เผื่อไว้ลักสองสามราตรีแล้วก็เป็นผู้ที่ควรจะ่อภานเรียกว่าอภานาระหะพิสุก็ขออภานเมื่อจะขออภานขอสามครั้งก็จะได้ใกล้เป็นพิสุบริสุทธิ์นะ ความานอย่างนี้ว่าอหังผันเตสับบลาอาปาติโยอาปจิงปะคาปะตชันนายโโซังสังขังสัมบบุลานางอาปตินางปคาปะตชันนานาปะคาปริวาสังยาจิงตันสเมสังโขสัมบบุลานงอาปาตินางปะคาปะตชันนานาปะคาปริวาสังอาดาเซโซหังปริวาสั้นโตอันตราสัมบบุลาอาปติโยอาปจิงปัญจหาปะเตชันนายโย โตหางสังขังอันตระสัมบบูลานางอปาตินางปัญจหาปฏิชนนานางมูลายาปฏิกาตานางยาเชงตั้งมังสังโฆอันตระสัมบบูลานางอาปาตินางปัญจหาปฏิชนนานางมูลายาปฏิกาเสโตหางสังขังอันตระสัมบบูลานางอปาตินางปัญจหาปฏิชนนานาปุริมาตูอปาติตูสมุถานปริวาัาเง ตาสเมสังโขรานสัมบัลลานังอาปาตินังปัญจหาปปิชนนานางปุริมาสุอาปาติสุสมุทหานาปริวสังอาดาสีโสหังปริวุฒาปริวาโสสังขังสัมบัลลานังอาปาตินังชาตระตังมานตังยาจิงตาสเมสังโขสัมบัลลานังอาปาตินังชาตระตังมานตังอาดาสีโสหังพันเตจินนามาโตสังขังอภานังยาจามิ ทั้งนี้สองก็โดยติยามปิการที่สามก็ตัดติยามปิเพราะความอื่นก็เหมุนกันหมดทิสุผู้ชล า, าผู้สามารถก็กล่าวหรือว่าสวดกรรมวาจาให้อภารโดยการที่ส่งเป็นผู้ที่ให้โดยอนุมัติจากทิสุผู้ชล า, าผู้สามารถการให้กรรมวาจาอภารแล้วก็จะได้เป็นทิกษุบริสุทธิ์อย่างนี้ว่าสุโมตุ อิทัณนโมภิกขะสำบ่าวลาอาปาติโยอาปาเชปักหาปะเตชันนาโยโสสังขังสำบ่าวลานังอาปาตินังปักหาปะเตชันนานังปักหาปริวาสังยาจสังโฆอิทัณนามาลาภิกขโนสำบ่าวลานังอาปาตินังปักหาปะเตชันานังปักหาปริวาสังอาดาเโสปริวาสัตโตอันตระสำบ่าวลาอาปาติโยอาป ปัญจหาปฏิชนนายโสสังขังอันตระสำบะวุลานังอปาตินังปัญจหาปชนนานางมูลายาปฏิกัสนางจิสังโฆอิทัณนามังพิกุงอันตระสำบะวุลานังอปตินังปัญจหาปชนนานางมูลายาปฏิกัส โสตั้งขังอันตระสัมบ่าวลานังอาปาตินังปัญจหาาติชนนานังปุริมาตูอาปาติตูสมุถานาปิวะสั h งยาเจสังโฆอิทันามาจัปปิคุโนอันตระสัมบ่าวลานังอาปาตินังปัญจหาาติชนนานังปุริมาตูอาปาติตูสมุถานาปิวะสังอาดาสีโสปริวุทธาปิวะโสตังขังสัมบ่าวลานังอาปาตินังชาระตังมานตังยาเจ สังข่อยท่านนามาสพิกุโนสัมบ اؤ ลานังอาปัตินังชาระตังมานตังอาดาเสสจินนามานโตสังังอภานังยาเจติยดีสังขาสะปตะกันลังสังขอยท่านนามังพิกุงอเพยาเอส่ายติสุโนตเมันเตสังขอายังอิท่านนามอภิโกสัมบ اؤ ลานังอาปัติโยอาปัชเ ปักขาปฏิชันายโยโตสังขังสัมบ่าวลานางอาปาตีนางปักขาปฏิชันนายนางปักขาปาริวาสังยาจีสังโขยทานนมาตามภิกุโนสัมบ่าวลานางอาปาตีนางปักขาปฏิชนานางปักขาปริวาสาาโปริวาสโตอันตรสัมาอาปติโยอาปิปัญจหปนายโย โซสังขังอันตระสำบ่าวลานังอาปาตินังปัญจหาปฏิชนนานางมูลายาปฏิการสังยาเจสร้างโขยท่านาังทิขุงอันตระสำบ่าวลานังอาปาตินังปัญจหาปฏิชนนานางมูลายาปฏิการสโซสังขังอันตระสำบ่าวลานังอาปาตินังปัญจหาปฏิชนนานางปุริมาสุอาปาติสุสมุทนานปริวาสร้างยาเจ สังข่อยท่านนามาสัพพิคุโน่สัมบ a าวลานังอาปาตินังปัญจหาปฏิชนนานังปุริมาสุ r าปาติสุสมุทนานปริวะสังอาดัสสโสปริวุทาปริวะโสสังขังสัมบ่าวลานังอาปาตินังชารตังมานะตังยาเจสังข่ยท่ามาสัพิคุโนสัมบ่าวลานังอาปาตินังชารตังมานะตังอด โซกินมามาโตสังขังอภานังยาจติสั้งคอยท่านนามังผีคุงอภเพติยสซายาตมาโตขมาติอิท่านามาตพีคุโนอภานังโซตุลฮาซายาสานัคขมติโซพาสิยะดุติยปิเอตมทั้งวดามิสุนมาตเมพันเตสั้างคอ ตาติยัมติเอตมทังวดามิสุนาโตเมพันเตสังโคขอความลักเหมือนกันข้างที่สองในสามสรุปตอนท้ายก็ว่าอภิโตสังเทนาอิทัณ น, นามภิโค ข, ขมติสังขสตัตสมาตุลเฮเอวเมตังทารยามิก็เป็นอันว่าที่สุนี้ก็ได้ประพฤติวุฒฐานคามินี เป็นผู้ที่บริสุทธิ์หมดจดจากการที่ต้องอับบัตสังกัจิเศษแล้วก็ปกปิดไว้ในระหว่างก็มีอบัตเพิ่มก็คืออยู่ปริวาสไปยังไม่ครบปักแล้วก็มีอันตราบัตต้องอบัดในระหว่างต้องขอมูลายะปฏิกาณนาก็คือชักข่าหาอบัตเดิมอยู่ปริวาสใหม่เรียบร้อยแล้วก็ขอมานัทแล้วก็อับผานอันนี้ก็เป็น ร, รมวิธีในการที่จะขอปริวาสมานัทแล้วก็อับผานเรียกว่าวุฒฐานะขานิลี เรียกว่าเป็นสมุทรานปริว า, าทิทางทิุเป็นผู้ควรแก่มานัดหรือกําลังประพฤติมานัดอยู่หรือเป็นผู้ควรแก่อภานไม่ได้เก็บวัดไว้ต้องอาบัตในระหว่างแล้วก็ปกปิดไว้อีกสงพึงกําหนดวันของอาบัตตัวเดิมและอาบัตที่ต้องในระหว่างต้องอัในระหว่างนี้เรียกว่าอันตราบัติตามในที่กล่าวแล้ว ชักเข้าหาอาบัติเดิมด้วยกรรมวาจาที่สมควรแก่อาบัตินั้นให้ปริวาให้มานัทแก่เธอผู้อยู่ปริวาแล้วอับปานทิกสุผู้ประพฤติมานัทแล้วแต่ถ้าทิกสุกําลังอยู่ปริวาเพื่ออาบัติที่ปกปิดต้องอันตราบัตแล้วไม่ปกปิดเพึงกระทํามูลายะปฏิการนาแก่ที่สุนั้นเท่านั้นไม่มีกิจที่จะต้องให้ปริวาอีกก็คือที่สุที่ กำลังอยู่ปริวาสนะที่ปกปิดไว้เนี่ยนะแต่ต้องอันตราบัตรที่ไม่ได้ปกปิดไว้ก็บอกเลยอันนี้ก็กระทามูลายนะปฏิการศนาไม่ต้องมีการให้ปริวาสอีกชาเข้าหาอาบัตรเดิมแล้วก็อยู่ปริวาสต่อไปได้ที่จุนั้นถึงอยู่ปริวาสตั้งแต่ต้นอีกอยู่ปริวาสใหม่ตั้งแต่ต้นนะไม่ต้องให้ปริวาสในทีนี้บอกว่าไม่ต้องให้ปริวาสอีก ให้ชักคออบัตเดิมเลยปริวาิของเก่านั้นใช้ได้ให้อยู่ปริวาิตั้งแต่ต้นใหม่ก็เหมือนกับลบวันเก่าแล้วก็อยู่ต่อไปเพราะว่าวันที่อยู่ปริวาสถูกล้มเลิกไปแล้วด้วยการชักคอหาอบัตเดิมก็คือมูลายะปฏิการนะนั่นเองแต่ถ้าต้องอบัตครั้งใหม่คืออันตราบัตมีการปกปิดไว้อันนี้ต้องชักหาอบัตเดิมแล้วต้องขอปริวาิให้ปริวาิใหม่แต่ถ้าเกิด ต้องอันตราบัตแล้วไม่ได้ปกปิดไว้ก็ไม่ต้องให้ปริวาสใหม่ให้อยู่ปริวาสใช้การอยู่ปริวาสอันเก่าได้โดยการชักขาอาบัตเดิมแล้วก็อยู่ปริวาสไปและพึงประมวลอันตราบัตเข้าหาอาบัตเดิมแล้วจึงให้มานับแก่ทิจุผู้อยู่ปริวาสแล้วพึงประมวลอันตราบัตเข้าหาอาบัตเดิมแล้วจึงให้มานัดก็ถามว่าทำอย่างไร เมื่อจะทำการชัดเข้าหาอาบัตรเดิมถ้าอาบัตรตัวเดิมปกปิไว้แต่เพียงหนึ่งปักสิบห้าวันปึงให้เธอกล่าวคำขอสามครั้งอย่างนี้จะไว้ต่อในวันพรุ่งนี้วันนี้สมควรแก่เวลาเรื่องของการประพฤติวัดเรื่องของการขอการกระทามุธฐานะคมินีนี่ก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากพอสมควรก็ละเอียดละออด้วย ถ้ากรรมวาจาผิดไปไม่เป็นอันธรรมเพราะนั้นก็ต้องละเอียดละอ่อนหน่อยหนึ่งก็ขออนุโมทนาแด่ผู้มีศรัทธาในพระศาสนาในพระรัตนตรยัยหอยท่านทั้งหลายได้อบรมไตรปิกฎาเพื่อบรรลุหนทางอันบริสุทธ์ก็คือวิสุทธิมักเพื่อบรรลุวิสุทธิก็คือพระนิพพานหอยท่านประสบกับสุขแล้วก็พ้นจากทุกข์โดยทั่วกันเทินสาธุสาธุสาธุ